ตอนที่สามความเคลือบแคลงห้องข้างๆฉู่เือกับเยี่ยยาวไม่ได้สนทนากันต่อมากนักเนื่องจากเวลาที่กระชัน้นชิดฉู่เฉยจึงต้องรีบกลับไปเตรียมการเรื่องของมั่นสําหรับวันพรุ่งนี้ทันทีที่ทั้งสองคนเดินจากไปจอกในมือของหลิงเซินก็แตกละเอียดเสียงดังเพลงเขาก ว, กวักมือเรียกหนานเฟิงแล้วกระซิบสัญญารบางอย่างที่ข้างหูหนานเฟิงรับคําแล้วรีบเร่งจากไปทันทีจากนั้นเขาก็หันไปตะโกนสั่งฉ้างจะวินว่าเตรียมม้าเข้าวัง เมื่อยี่เยากลับมาถึงแล้วไม่พบท่านพ่อและพี่ชายนางก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในชาติก่อนเวลานี้พวกเขาน่าจะกําลังโกรธเกรี้ยวกับการกระทำวุ่นวามของสิ้นอ๋องอยู่ที่โถงหลักแล้วการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในชาติก่อนอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่นางเพียงแค่ออกไปพบชูชื้อเท่านั้นไม่น่าจะส่งผลกระทบถึงเรื่องในราชสํานักได้ยี่เยาพยายามทําใจให้สงบลงแล้วไปหาท่านปู่และท่านย่าก่อน ร่างกายของท่านย่านัวันยิ่งสุโทรมลงมักจะเจ็บป่วยอยู่บ่อยครั้งแม้แต่ท่านหมอก็ยังหาสาเหตุของโรคไม่พบในทางกลับกันท่านปู่กลับยิ่งเหมือนเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้แต่ร่างกายก็มีปัญหาเล็กๆกน้อยๆเติมไปหมดเมื่อกล้าเข้าไปในลานบ้านนางก็เห็นท่านปู่มีเลือด ก, กำเดาไหลเต็มหน้าโดยมีท่านย่ายืนดุได้อยู่ข้างๆตาเท่าเจ้าจเล่าอายุอานามขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักสำรวมความคิดอีกดีที่เป็นในเรียนตัวเองไม่อย่างนั้นคงได้อับอายขายหน้าไปทั่ว ใบหน้าของเย่เยาซีเผือดผ่าในชาติก่อนที่ท่านปู่สิ้นใจบนเตียงผู้ป่วยโดยมีเลือดซึมเปื้อนเต็มสาบเสื้อผุดขึ้นมาในหัวอีกครั้งนางรีพุ่งเข้าไปหาทันทีเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะเจียนเจียไปลู่รีไปเชิญท่านหมอมาเร็วเหลากว๋องใช้ผ้าเช็ดหน้าอุดจมูกพลางโบกมือพลวันไม่ต้องต้องเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องถึงขั้นเชิญท่านหมอหรอกไม่ได้เจ้าคะร่างกายไม่สบายก็ต้องเชิญท่านหมอจะปิดบังอาการป่วยเพราะกลัวหมอไม่ได้นะเจ้าคะพอทีเถอะเขาไม่ได้กลัวหมอหรอก แต่เขากลัวเสียหน้ามากกว่าน้ำเสียงของท่านย่าแสงไปด้วยความโกรธเย้ยเยาวจึงสังเกตเห็นว่าววตาของท่านปู่ดูหลบซ่อนพิรุดนางจิกเล็บลงบนฝ่ามือพยายามดึงตัวเองออกจากความตื่นตระหนกจากภาพในอดีตแล้วถามว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้ากะท่านย่ายังคงขุนเคืองเมื่อครูสาวใช้ที่ประนีบัติทําเสื้อผ้าเปียกโดยไม่ระวังตาเท่าหัวงูคนนี้ก็เลือด ก, กำเดาไหลออกมาทันทีกระดูกระเดี้ยก็เปราะบางหมดแล้วยิ่งจะมีความคิดอกุศลอีก เจ้าว่าเขาควรโดนด่าไหมท่านย่ากโกรธจัดจนทุบอกตัวเองแล้วไอออกมาอย่างหนักจนเริ่มหอบเหนื่อยทําเอาทั้งปู่และหลานต่างพากันลนลานข้าบอกแล้วว่าเจ้าก็อายุมากแล้วจะมาหึงหวงเรื่องไร้สาระแบบนี้ทําไมใช่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายตัวเองไม่ดีไม่แน่ว่าที่ข้าเป็นแบบนี้ก็เพราะถูกตาเท่าอย่างเจ้าทําให้โกรธนี่แหละยี่ยมองดูผู้เท่าทั้งสองในใจพันเกิดความคิดที่ทน่าหวาดกลัวอย่างหนึ่งขึ้นมา ท่านปู่และท่านย่าในวัยหนุ่มสาวเคยควบม้าศึกในสมนรภูมิร่างกายแข็งแรงกัมย ม, มาโดยตลอดเพิ่งจะเริ่มสุดโทรมลงในช่วงครึ่งปีหลังมานี้เองเมื่อรวมกับชะตากรรมอันน่าสลดของครอบครัวที่ถูกสังหารในชาติก่อนหรือว่าร่างกายที่แย่ลงของท่านทั้งสองจะมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่เมื่อท่านย่าล้มป่วยท่านปู่ก็ไม่สนใจสิ่งใดอีกรีบเชิญท่านหมอมาทันทีเพียงแค่การประชดประชันเล็กน้อยกลับทำให้ท่านย่าล้มหมอ น, นอนเสื่อจนลุกไม่ขึ้นท่านหมอถึงกับขมวดคิ้วมุ่นจนแทบจะหนีบมแมลงวันให้้ตายได ชีพจรของฮูหญินเท่าลอยและอ่อนแรงมากร่างกายซุโทมยิ่งนักแต่กลับหาสาเหตุของโรคไม่พบช่างหน้าประหลาดใจจริงๆท่านหมอหลี่เป็นหมอที่จวนกัวกงเรียกใช้จนคุ้นเคยดูแลท่านทั้งสองมานาหลายสิบปีไม่เคยผิดพลาดแต่ครั้งนี้เขากลับจนปัญญาความเคลือบแคลนในใจของเยี่ยอ ย, ย่งเพิ่มมาึ้นท่านปู่ยังไม่ทันเช็ดเลือดที่หน้าก็มาเฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ห่างไกลท่านปู่รักธัญญาถึงเพียงนี้จะมีความคิดอกุศลกับษาใช้ได้อย่างไร ขณะที่เดินไปส่งท่านหมอที่หน้าประตูเย่ยาวก็ลดเสียงต่ำลงถามว่าท่านหมอหลี่อาการของท่านย่าเริ่มเป็นมาตั้งแต่ครึ่งปีก่อนใช่หรือไม่เจ้าคะท่านหมอหลี่คำนวณเวลายอย่างละเอียดแล้วพยักหน้าเริ่มปรากฏอาการหลังจากงานเลี้ยงวันเกิดของฮูหญินเท้ามาครึ่งปีก่อนพยาคะดูจากอาการแล้วเป็นการสูญเสียลมปราณและเลือดอย่างรุนแรงทางจวนต้องใส่ใจดูแลให้มากนะเจ้ากะท่านปู่และท่านย่าปกติจะอยู่แต่ในจวนแทบไม่ได้ก้าวเท้าออกไปไหนเลยจะไปสูญเสียพลังกายได้อย่างไร ยี่ยังไม่ได้ถามต่อ น, นางส่งท่านหมอหลี่เสร็จแล้วก็บีบมือที่เย็นเฉียบของตัวเองไว้แน่นหรือว่าจะมีคนแอ บ, บวางแผนทําร้ายครอบครัวของนางมาตั้งนานแล้วท้องฟ้าภายนอกมือสนิทคมไฟถูกจุดขึ้นนานแล้วในที่สุดท่านพ่อและพี่ชายก็กลับมาพวกเขาดูขุนเคืองเรื่องสิ้นอองตามค่าแต่ก็ยังต้องให้ความเคารพตามฐานะยี่ยังไม่มีโอกาสได้แทรกบทสนทนานางมองดูพวกเขาเดินจับไปไกลความไม่สบายใจในใจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกเขาจะโต้เถียงกับสิ้นอ๋องในราชาสำนักเรื่องสงครามชายแดนแต่ทำไมถึงขึ้นกลับมาเอาป่านนี้เมื่อนึกถึงข่าวที่ว่าพวกเขาพลีชีพในสมนรภูมิที่นางเพิ่งได้ยินมาเยี่ยวก็รู้สึกปวดแส บ, บที่หัวใจสำหรับนางเรื่องนั้นเพิ่งผ่านมาเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นนางต้องตายไปพร้อมกับลูกในท้องจะไม่ให้จดจำฝังลึกได้อย่างไรชีวิตของท่านพ่อและพี่ชายรวมสองชีวิตแต่หลินเซินกลับพูดออกมาเพียงสั้นๆอย่างเย็นชาว่า เสียสละเพื่อชาติก็นับว่าตายอย่างสมเกียจไม่ใช่หรือในวินาทีที่คําพูดอันไร้ความรู้สึกหลุดออกมาจากปากที่เย็นชาของเขาหัวใจของเย่ยาวก็แหลกสลายไปโดยสิ้นเชิงขณะที่น้ําตาร่วงหล่นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็ล้นพ่านในคะเลือดอุ่นๆไหลรินลงมาตามเรียวขาตอนนั้นนางตั้งคันได้6เดือนกว่าแล้วเดิมทีคิดว่าเขาจะเห็นแก่ลูกแล้วทําดีกับนางบ้างสุดท้ายก็เป็นเพียงนางที่หลงเพอ้อเจ้อไปเองฝ่ายเดียวเท่านั้น ทั้ทงหัวใจและสายตาของเขามีเพียงเสี้ยชิงจือที่อยู่เคียงข้างเท่านั้นนั่งเจ็บปวดจนต้องกุมท้องสุดกลายลงกับพื้นทะว่าหลินเซินกับโอกระของเสี้ยชิงจือไว้พางมองนางด้วยสายตาเหยดยามเจ้าเลิกใช้เด็กมาเสแสร้งแกล้งทําเป็นหน้าสงสารต่อหน้าข้าเสียทีได้ไหมช่างน่าสะอิสเอียนเหลือเกินอย่าคิดว่าบิดาและพี่ชายของเจ้าพลีชีพในสนามรบแล้วข้าจะเชื่อว่าครอบครัวของเจ้าบริสุทธิ์เสด็จพ่อของข้าต้องสิ้นพระชนม์เพราะพวกเจ้า นั่นคือความจริงนี่คือสิ่งที่เจ้าติดค้างข้าก็จงใช้ทั้งชีวิตของเจ้าชดใช้มาเสียเยี่ยวไร้คําโต้แย้งลําคอของนางติดตันจนพูดไม่ออกในยามที่กระอกเลือด ส, สดๆออกมาคําหนึ่งนางก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆอีกต่อไปแสงสว่างตรงหน้าดับบูบลงอย่างรวดเร็วความรู้สึกสุดท้ายที่ฝังลึกที่สุดคือความเจ็บปวดเจ็บปวดปานใจจะขาดก็ดีเหมือนกันบางทีเด็กคนนี้อาจไม่ควรลืมตาดูโลกตั้งแต่แรก จนถึงตอนนี้บริเวณท้องน้อยยังคล้ายจะปวดหนึบอยู่ลึกๆส่งผลให้มือทั้งสองข้างของเย่ ย, ยาวสันเทาแข็งคายยื่นเฉียบไปหมดนี่เพิ่งจะเป็นวันแรกของการเกิดใหม่เท่านั้นนางน้มน้าชูชื้อให้มาสู่ขอในวันพรุ่งนี้ได้สําเร็จแล้วหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่นางปรารถนาคืนนั้นนางนอนหลับไม่สนิทนักฝันร้ายรุมเรา้าไม่ขาดสายภาคเหตุการณ์ในชาติก่อนปรากฏซ้ําแล้วซ้ําแล้วนางสะดุง้งตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงกรีดร้องเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ เจียนเจียและปัยลู่ได้ยินเสียงก็รีบวิ่งเข้ามาหาทันทีคุณหนูเป็นอะไรไปเจ้าคะหรือว่าฝันร้ายเข้าครอบงำมาเจ้าคะเช็ดหน้าเช็ดตาเสียหน่อยไปัลู่บิดผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้นางก่อนจะพบว่าใบหน้าเล็กๆของเยี่เยาขาวซี่จนหน้าใจหายทั้งร่างยิงคงสันทำไม่หยุดเยี่ยเยาสูดลมหายใจเข้าลึกๆพรางหลับตาลงพยายามดึงตัวเองออกจากความรู้สึกเหล่านั้นข้าไม่เป็นไรสองสาวใช้สบตากันแววตาเต็มไปด้วยความกังวล ทันใดนั้นเย่เยวก็เงยหน้าขึ้นถามทันทียามใดแล้วเลยยามเฉินมาแล้วตอนนี้เข้าสู่ยามซื้อแล้วเจ้าค่ะสายป่านนี้แล้วหรือเย่เยา่ตลบผ้าห่มออกชูชื้อมาถึงหรือยังเจียนเจียรีบหยิบเสื้อตัวนอกมาคลุมให้นางพางสายหน้าอย่างอ่อนใจเย่เยารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยไม่รู้เพราะเหตุใดนางถึงได้รู้สึกกระวนกระวายใจเช่นนี้จึงได้แต่ฝืนคมอารมณ์ให้คมที่แล้วลุกขึ้นไปล้างหน้าผัดผ้า ช่วงเวลานี้ควรจะเป็นยามที่สงบสุขที่สุดแต่นางกลับนั่งเหม่อลอยอยู่ใต้ต้นท้อมองดูเหล่าบุพภาที่ร่วงหล่นเกิืนพื้นนางดึงดันที่จะนั่งรออยู่อย่างนั้นทั่วทั้งร่างตึงเครียดราวกับสายธนูที่ขึงตึงหักยังไม่เห็นชูชื้อปรากฏตัวนางก็ไม่อาจวางใจได้แม้เพียงชั่วขณะเดียวเจียนเจียและไป๋ลู่ต่างก็คิดไม่ตกเหตุใดคุณหนูของพวกนางถึงได้รีบร้อนอยากจะแต่งงานออกไปเช่นนี้นางเพิ่งจะอายุ16ปีเองนะนางนั่งรอจนล่วงเข้าสู่ยามบ่ายอาจเป็นเพราะความเครียดที่สสั่งมมาตลอด ประกอบกับเมื่อคือนนอนหลับไม่เต็มอิ่มขมับของนางจึงเริ่มปวดหนึบขึ้นมาเจียนเจ็กสุบเห็ดหูหนูขาวมาให้นางพางเอ่ยคุณหนูเจ้ากระลมฤดูใบไม้ผลิยิงคงหนาวเหน็บท่านั่งอย่างนี้จะเจ็บป่วยเอาได้เข้าไปในห้องเถอเจ้าค่ะยี่ยาโบกมือปฏิเสธยังอ่อนแรงเจียนเจียกำลังจะเอ่ยปากเกลี้ยกล่อมต่อทว่าลูกกลับส่งเสียงร้องตะโกนพางวิ่งหน้าตั้งเข้ามาเสียก่อน